ปิดไว้สองเดือนชะไหนหนอเราพึงขอปริวาทสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสงภิกษุนั้นจึงขอปริวาทสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาทสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นแล้วเมื่อภิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวาทคิดและอายใจว่า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 สงได้ให้ปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนแก่เราเมื่อเรานั้นกําลังอยู่ปริวาสคิดละอายใจว่าฉะไหนหนอเราพึงขอปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตแม้นอกนี้ปิดไว้สองเดือนกับสงภิกษุนั้นจึงขอปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตแม้นอกนี้ปิดไว้สองเดือนกับสง สงได้ให้ปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตแม้นอกนี้ปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงขอปริวาสองเดือนนับต่อจากเดือนก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนคืออาบัตหนึ่งตัวรู้ อาบัตหนึ่งตัวไม่รู้ภิกษุนั้นขอปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตตัวที่ภิกษุนั้นรู้ปิดไว้สองเดือนกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตนั้นที่ปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นแล้วเมื่อพิกษุนั้นกําลังอยู่ปริวาทรู้อาบัตแม้นอกนี้ภิกษุนั้นมีความคิดดังนี้ว่า เราต้องอาบัตสังคาที่เศษสองตัวปิดไว้สองเดือนคืออาบัตหนึ่งตัวรู้อาบัตหนึ่งตัวไม่รู้จึงขอปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตตัวที่รู้ซึ่งปิดไว้สองเดือนกับสงส่งได้ให้ปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตนั้นที่ปิดไว้สองเดือนแก่เราเรานั้นกำลังอยู่ปริว่ารู้อาบัตแม้นอกนี้ ฉไหนหนอเราพึงขอปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตแมแ้นอกนี้ที่ปิดไว้สองเดือนกับสงพิษุนั้นจึงขอปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตแม้นอกนี้ที่ปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตแม้นอกนี้ที่ปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัตินั้นแล้วอยู่ปริวาสสองเดือนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนคืออาบัตหนึ่งตัวระลึกได้อาบัตหนึ่งตัวระลึกไม่ได้ภิกษุนั้นขอปริวาสสองเดือน เพื่ออาบัตหนึ่งตัวที่ระลึกได้ปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตินั้นที่ปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นแล้วเมื่อภิกษุนั้นกําลังอยู่ปริวาทระลึกอาบัติแม้นอกนี้ได้ภิกษุนั้นมีความคิดดังนี้ว่าเราต้องอาบัตสังคาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือน คืออาบัตหนึ่งตัวระลึกได้อาบัตหนึ่งตัวระลึกไม่ได้เรานั้นขอปริว า, ออาวส ส, วาสองเดือนเพื่ออาบัตที่ระลึกได้ปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตนั้นปิดไว้สองเดือนแก่เราเมื่อเรานั้นกำลังอยู่ปริวาทระลึกอาบัตแม้นอกนี้ได้ฉชไหนหนอ เราพึงขอปริว e ่าสองเดือนเพื่ออาบัตแม้นอกนี้ปิดไว้สองเดือนกับสงภิสษุนั้นจึงขอปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตแม้นอกนี้ปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตแม้นอกนี้ที่ปิดไว้สองเดือนแก่พิสษุนั้นภิสษุทั้งหลาย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 ภิกษุนั้นขอปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตตัวที่แน่ใจปิดไว้สองเดือนกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตนั้นที่ปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นแล้วเมื่อภิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวาสแน่ใจในอาบัตแม้นอกนี้ภิกษุนั้นมีความคิดดังนี้ว่า เราต้องอาบัตสังคาที่เศษสองตัวปิดไว้สองเดือนคืออาบัตหนึ่งตัวแน่ใจอาบัตหนึ่งตัวไม่แน่ใจเรานั้นขอปริว่าสอง calendar. เดือนเพื่ออาบัตตัวที่แน่ใจปิดไว้สองเดือนกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตนั้นที่ปิดไว้สองเดือนแก่เราเมื่อเรานั้นกำลังอยู่ปริวาท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 ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงอยู่ปริวาทสองเดือนนับต่อจากเดือนก่อน